มีคนไปสัมภาษณ์นักธุรกิจอันดับต้นๆคนหนึ่งของเมืองไทยนะแกทำด้านบ้านจัดสรร น, นะที่เรีบ้านจัดสรรก็ไม่ถูกนะเรียกว่าเป็นอ่าเรีลเอสเตตก็แล้วกันนะเพราะว่าบ้านจัดสรรที่ีมันมันเก่าไปแล้วนะก็ร่ำรวยมากนะจากธุรกิจการก่อสร้างบ้านมีประโยคหนึ่งแกพูดน่าสนใจนะแกบอกว่าคนเราเนี่ย ถ้าสามารถแก้ปัญหาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วแก้ปัญหาได้ห้สอร์ซ็นตหมายความว่าปัญหามีอยู่สิบปัญหาแก้ได้ห้าปัญหานี้ก็ถือว่าดีมากแล้วถือว่าเก่งแล้วถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะอ่านี่มันเป็นคําที่ออกมาจากนักธุรกิจซึ่งเขาก็ร่ารวยมากนะแต่เขาก็เพียงแค่แก้ปัญหาได้ห้าสิเปอร์เซ็นาก็พอใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมาก เคาพูดนี้มันมีนัยยะอยู่สองอย่างนะมันมีนัยยะประการแรกคือว่าชีวิตคนเรานี่มันเต็มไปด้วยปัญหาและประการที่สองคือว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ไม่สามารถจะแก้ได้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะเขามองว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติอ่าเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนี่ก็จะต้องจัดการแก้ไขมันให้ได้ มีปัญหา1ิบอย่างก็ต้องแก้ให้ได้ทั้ง1ิบอย่างถ้าคนที่คิดแบบนี้ก็จะทุกข์มากนะเพราะว่าในความเป็นจริงนะมันมีปัญหาหลายอย่างที่แก้เท่าไหร่ถึงแม้จะแก้เท่าไหร่มันก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแก้ไม่ได้นะแล้วก็ยังคิดจะไปแก้มันหรือว่าคิดคิดแต่ว่าทำงานมันจะหมดมันจะหายไปก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์มาก นักวิจเกี่ควนี้แกมองว่าปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาและชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็หนีปัญหาไม่พ้นนะแต่ถ้าหาว่าสามารถจะแก้ได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะของปัญหาที่มีก็น่าจะพอใจแล้วและปัญหาที่แก้ไม่ได้อีกครึ่งหนึ่งทำยังไงนะก็ต้องทำใจนะทำใจไอ้เรื่องการแก้ปัญหานี่มันทางพุทธศาสนาเรียกว่าการทากิจนะการแก้ปัญหานี่มันต้องเป็นการทากิจ หิวก็ต้องหาอาหารมากินป่วยก็ต้องรักษาแต่ว่าถ้าปัญหามันแก้ไม่ได้นะก็ต้องทำจิตนะคือทำใจแต่เราก็ไม่ควรทำใจตั้งแต่แรกนะหมายความว่าหมายความว่ายวไม่ทันแก้ปัญหาแลวก็ทำใจแล้วว่ามันแก้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ถูกนะก็ต้องลองแก้มไปก่อนมีปัญหากี่ปัญหาก็แก้มาไปก่อนแก้ไปแล้วบางอย่างสาเร็จ แต่บางอย่างไม่สําเร็จนะอันนี้ก็ก็ค่อยทําใจนะอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ต้องทําใจแต่ว่าอย่าพิ่งเฉยเมยหรือนิ่งเฉยโดยที่ยังไม่ทันทําอะไรต้องลงมือทำซะก่อนลงมือแก้ซะก่อนนะอันนี้พอเรามีประสบการณ์มากๆเข้าเราก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาบางอย่างในโลกนี้ในชีวิตนี้ที่ แกอย่างไรก็แก้ไม่ได้นะนประสบการณ์นี้ก็จะช่วยทําให้เราทําใจได้ตั้งแต่แรกเลยคือพอมันเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเออปัญหาบันนี้มันแก้ไม่ได้เช่นอะไรนะเช่นคนคนชังคนที่ไม่พอใจเราคนที่ต่อว่าด่าทอเราอันนี้ถ้าหมองเป็นปัญหานะ มันก็ทุกนะพอาะจริงๆเรเป็นธรรมดาแต่ถึงจะมองว่ามันเป็นปัญหาแต่มีความเข้าใจว่าปัญหาแบันี้มันแก้ไม่ได้จะให้คนรักเราทั้งโลกเนี่ยเป็นไปไม่ได้จะให้ไม่มีคนชังเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าใครที่คิดว่าปัญหานี้แก้ได้นะจะชีวิตนี้จะไม่มีความสุขเลยนะนอนก็นอนไม่หลับเผลอๆตายตามไม่หลับด้วยเพราะว่า คนชอบวระคงชันมันเป็นธรรมดาโลกนะหนุ่มสาวที่จริงอาจะลืมถึงผู้ใหญ่หลายคนนี่ทำใจไม่ได้นะเวลารู้ว่ามีคนไม่ชอบเราหรือมีคนเข้าใจเราผิดจนะทุกข์มากเลยก็พยายามที่จะทำให้เขารักเราให้ได้พยายามที่ทำให้เขาชอบเราให้ได้อันนี้มันเป็นความพยายามที่สูญเปล่าเพราะว่า ไม่ว่าเราจะทำอย่างไรนะมันก็ยังมีคนที่ชังเราอยู่นั่นแหละหรือคนที่เข้าใจเราผิดขนาดพระพุทธเจ้านี่ไม่เคยทาไม่เคยเบียดเบียนใครเลยนะก็ยังมีคนคิดร้ายปองร้ายหมายเอาชีวิตเลย้วยซ้ำนะไม่ใช่แค่ต่อว่าด่าทอเท่านั้นอันนี้เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะแม้เมื่อเราเจอแบบนี้ก็อย่าไปคิดแก้แต่ว่าการพยายามทำความเข้าใจนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะ เข้าใจผิดก็พยายามทำความก็จะให้ถ <hiçbir vision> ูกซะชี้แจงแต่ว่าก็ต้องทำใจไว้ว่าการชี้แจงมันก็ทำได้แค่เท่านั้นถึงจุดเท่านั่นแหละจะให้คนเขาจะเห็นดีด้วยหรือมาเปลี่ยนจากชังเป็นชอบนี้ทั้งหมดนี่เป็นไปไม่ได้นอกจากความชังหรือว่ากรรมตาหนิตีเตียนแล้วนะยังมีปัญหาหลายอย่างที่แก้ไม่ได้ นะไม่ต้องพูดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนะหรือความพัดพราสูญเสียบางทีเอาแค่รถติดนะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยรถติดนะถ้าเป็นช่วงเวลา rush hour นะช่วงเวลาเช้ากับไปทำงานกับเลิกงานนี่มันเป็นปัญหาก็จริงนะแต่ว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้อย่างน้อยก็เรา ต, ตัวเราตัวเราเองยังแก้ไม่ได้นั่นเจอรถติดก็ต้องทาใจ จะไกาแฟกาแ ฟ, ก, ก, ฟ ก, กับมันอันนี้จะเรียกเป็นศิลปะในการดําเนินชีวิตแล้วก็การทํางานอะไรก็ได้คือว่าต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาหลายอย่างที่แก้ไม่ได้เพราะฉะ น, นทัที่นกธุรกิจคนที่พูดวันเนี่ยปัญหา50ซเนี่ยถ้าแก้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วถือว่าน่าพอใจแล้วนะที่เหลือก็ต้องปล่อยวางหรือไม่ก็ต้องรอจังหวะเวลา แต่อย่างที่ว่านะบางทีมันยากนะที่จะบอกได้ว่าอะไรปัญหาอะไรที่แก้ได้ปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ <iment. S 1> ไม่มีใบขับขี่อันนี้เป็นปัญหาที่แก้ได้หรือแก้ไม่ได้ไม่มีใบขับขีก่ก็ไปก็ไปสอบเอาใบขับขี่เลยแต่ว่าบางคนนี่สอบใบขับขี่มาสิบครั้งไม่ได้สอบไม่ได้จะแปลว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้หรือเปล่านะบางทีก็ตอบยากนะเพราะว่า ถ้าทําความเพียรไปอีกสักยี่สิบครั้งสาสิบครั้งแล้วไม่ได้เนี่ยก็ค่อยค่อยคิดอีกทีแต่บางคนสอบใ บ, บ, บขับขี่มาสาสิบครั้งห้าสิบครั้งก็ไม่ได้นะแปลว่าต้องยอมแพ้มแปลว่าต้องทำใจไหมมีคุณป้าคุณถึงชาวเกาหลีนะแกไปสอบใ บ, บขับขี่มาแล้วเจ็ด้อยเจ็ดสิบห้าครั้งก็ยังไม่ได้เลยเป็นข่าวนะเมื่อปีห้าสอง ถามว่าแกเลิกหรือว่าแกไม่เลิกนะแกะก็สอบต่อไปเรื่อยๆนะสอบแทบทุกวันเลยวันเว้นวันวันเว้นวันในสุดได้นะหลังจางที่แกสอบไปแล้ว950ครั้งนะเอาแค้เวลาสอบใบขับขี่แล้วไม่สอบไป700ครั้งไม่ได้แปไม่ได้แปลว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้นะปัญหานี้แก้ได้แต่ว่าต้องทําความเพียรให้มากกว่านี้นะคุณเปล่านี้ก็ทําความเพียรไปเกือบพันครั้งถึงได้สแสดงว่าปัญหานี้แก้ได้นะ แต่ว่าการที่สอบไปแล้วเจ็ดร้อยครั้งสอบไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันแก้ไม่ได้ต้องทำความเพียรให้มากกว่า น, นี้แต่บางอย่างถึงจะทำความเพียรเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางทำให้สำเร็จได้อย่างที่อย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยจะให้คนมาชื่นชมเราขึ้น Facebook แล้วจะให้มีแต่คนชมนี้ไม่มีคนตำหนิเลยเป็นไปไม่ได้นะขึ้น Facebook แล้วจะให้คนกดไลค์นะ อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้นะที่ไม่กดไลค์ก็มีว่านเพื่อนไม่กดไลค์ก็อย่าไปทุกข์นะเพื่อนกดไลค์น้อยลงก็อย่าทุกข์หรือเพื่อนจะถอดจากความเป็นเพื่อนอันเฟรนดก็อย่าไปทุกข์นะเพราะมันเป็นธรรมดามันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณานะว่าปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ปัญหาอะไรที่แก้ได้แต่พูดสุบรวมๆไปแล้วนี่ก็อย่างที่นักธุรกิจคนนี้ให้ข้อคิดเอาไว้น่าสนใจ ปัญหาถ้าแก้ได้50เซก็น่าจะพอใจแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจอปัญหาแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนะเออถือว่ามันแก้ไม่ได้ไม่ทันลงไม้ลงมือไม่ทันแก้เลยก็ถือว่ายอมแพ้แล้วอันนี้ก็ไม่ถูกนะมันก็ต้องลงมือไปปลุกปั้มมาสก่อนมีปัญหาสิอย่างก็ลองไปปลุกปั้ม ส, สักสิอย่างดูยกเว้นปัญหาบางอย่างที่เรารู้แน่ว่ามันไม่มีทางสําเร็จนะเออก็ปล่อยวางวางเฉยทําใจไอ้ที่เหลือนี่ก็ต้องปลุกปั้มซะก่อนนะ บางอย่างก็ต้องปกปั้มแบบคุณยายคนนี้แหละคุณป้าคนนี้แหละนะสอบไปเก้าล้กว่าครั้งนะถึงถึงได้มานะก็ฝาไว้เป็นข้อคิดด้วยนะเตรียมรับพร